بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين و ل ا ع د و ا ن إلا على الظالمين وصلي وسلم على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن د ب ع ه م بإحسان إلى م د ي ن ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آ ي ا قرآنية ميو ب ر و ي ن ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ได้พูดถึงเหตุผลที่อัลลอ์จะยกโทษให้คนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนาบีสุลต่ า, าละฮ์ฮะลียอุสสลัมนั่นก็คือเรื่องการไปสู้รบกับท่านนาบีในสงครามตะบุกโดยมีอุปสรรคและก็เหตุผลส่วนตัวแม้ว่าจะเป็นคนป่วย หรือคนที่ไม่มีฐานะปัจจัยในการเดินทางตเราได้สรุปว่าบุคคลที่ไม่มีทางที่จะไปเอาโทษกล่าวโทษกับเขาได้เลยนี่คือคนที่ผู้ที่กระต h a กระธ h a ดีมา على المحسنين ิน س บีลมันเป็นสุภาษิตชาวบ้านหมายที่ว่าคนทั่วๆไปนี่เขาเอามาใช้กันเลยนะ สมมติว่าเพื่อนกันอ่าแล้วก็ชวนเพื่อนไปช่วยงานนู่นนี่นั่นแล้วก็เพื่อนที่ถูกชวนไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปตามนัดด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างเขาก็มามาขอโทษเพื่อนขอโทษด้วยนะวันนั้นไม่ได้ไม่ได้ไปเนี่ยชก บ, บานทุกทัวร์เขาก็จะหยิบยกอันนี้มาใช้เลยมาฮะเลอมอซินะีเนี่ยเปนสบิลซัมรับ คนทําดีเนี่ยเอากล่าวโทษไม่ได้เหมายถึงว่าข้าพเจ้าจะไปกล่าวโทษท่านไม่ได้หรอกเพราะท่านเป็นคนดีมันก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยถูกปลูกฝังไว้แล้วว่าสําหรับคนที่มีประวัติมีบัญชีแห่งความดีตําหนิไม่ลงอ่ะเราจะไปต่อว่าไปด่าทอเขาไม่ได้เพราะ ความผิดหรือความบกพร่องประการเดียวที่มันเกิดขึ้นและมันอาจจะเกิดโดยบังเอิญด้วยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกล่าวโทษกับเขาซึ่งเป็นตาช่างเดียวที่เลาุมภารนวตาจะใช้กับเราคนที่ทำความดีอย่างเข้มขน้นสมุดการงานของเขาเนี่ยความดีนี่มากกว่าความชั่ว ผลงานของเขาในการปฏิบัติตามคำสั่งใช้เนี่ยในการห่างไกลจากความชั่วคาห้ามข้อห้ามต่างๆเนี่ยมากกว่าที่เกิดความบกพร่องในการปฏิบัติตามคำสั่งหรือห่างจากความชั่วนี่หมายถึงว่าเชื่อฟังมากกว่าฝ่าฝืนนะตราช่างของอัลลอฮฺสุบฮานวตาลก็จะไม่กล่าวโทษ แล้วจะให้คนเหล่านั้นได้เป็นชาวสวรรค์นี่นี่คืออกีดะเลยนะของอลัลลอซุนนะวะลจมาว่าวันกิยามานี่การตัดสินของเรา سبحانه าละ تعالى การตัดสินการสอบสวนเนี่ยก่อนที่จะตัดสินก่อนที่สอบสวนนี่ก็จะชั่งผลงานของเราก่อน ถ้าความดีนี่มากกว่าความชั่วแม้แต่คะแนนเดียวนะเป็นอนอุโรธโรดนี่หมายถึงว่าถ้า ส, สอบสวนจะถูถกถูกคิดบัญชีหรืออะไรอีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะผ่านอย่างราบรื่นถ้าตาช่างของเรานี่มีความดีนี่มากกว่ามากกว่าความชั่วและถ้าเราเอาตาเมื่ราถานตาช่างของ Allah Subhanahu wa t a a l อย่งตรงไปตรงมาแบบนี้หมายถึงว่าถ้าคะแนนความดีมากกว่นาคะแนนความชั่วแม้แต่คะแนนเดียวหมายถึงว่าถ้าถ้าทําความดีห้นาสิบอดคะแนนทําความชั่วเท่าไหร่นะ4ีเก้คะแนนนั่นถือว่าในในสายตาของเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าสวรรค์อ่นแล้วก็ที่เข้าสวรรค์จะเป็นคนดีไหม คนดีสคนดีส <k line anyway> ja <k line> ิคนชาวสวรรนี่เคนดีมีคะแนนกี่คะแนนห้าสิบอ็ดคะแนนแต่เราใช้มาตรฐานตาช่างนี้กับคนคนที่เราร่วมใช้ชีวิตกับเขาในโลกดุนีย์นี้ไหมไม่เลยเราต้องบอกไม่เลย คนที่เรารู้จักเขานี่แล้วก็เขามีคะแนนความชั่ว49คะแนนและความดีเนี่ย51คะแนน น, นี่นะโอ้โหสำหรับตาช่างของของชาวโลกนะไม่ใช่ไม่ผ่านนะคือแย่ น, นี้นะ่ยแย่มากแย่มากเลยแต่นี่แค่ให้เห็นนะครับว่าบางอย่างนี่เป็นหลักการศาสนาที่เราเอามาเปรียบเทียบให้เห็นว่า นี่คือสิ่งที่เราชอบให้คนอื่นตัดสินเราหมายถึงว่าตัวเราเองจะมีคะแนน49คะแนนคะแนนชั่ว49คะแนนและความดี50คะแนนเราก็จะชอบให้คนอื่นเนี่ยตัดสินเราตามคะแนนความดีหรือความชั่วนะคะแนนความดีสิเราชอบที่จะให้คนเข้าข้างเราในเรื่องในเรื่องตัดสินไงและเราชอบที่จะให้อัลลอฮฺซุลแลมุบานวาะวะลาตัดสินเราแบบนี้เช่นเดียวกัน คนที่คะแนนความดีความชผูงเขา้ขาห น, 50, 50, นี้เสมอกันห้าส้เนี่ยชาวอาราบใช่ไหมขณะชาวอาราบนี่อัลลอฮ์สุบฮานะตะวัตะยังไม่ตัดสินเลยหมายถึงว่าไม่ฟันตรงให้เป็นชาวสวรรค์หรือไม่ฟันตรงให้เป็นชาวนรกแต่คนนี้ไม่ใช่ชาวนรกก็ไม่ใช่คนชั่วไม่ใช่ชาวสวรรค์ก็ม่ใชก็ไม่ใช่คนดีไม่ตัดสินแต่อยู่ระหว่างสองสถานที่นี้เนี่ยอยู่ในสถานที่ออาราบมาชาอัลลอฮฺ กเนียกุลเท่าที่เราสมภารจะระประสงค์ให้เขาอยู่อยู่ยาวนานแค่ไหนนี่คือบทลงโทษของชาวรอด บ, บทลงโทษของชาวรอดนี่ก็คือไม่ทําความดีกับเขาคือไม่เข้านรกแต่ต้องเห็นชาวนรกกําลังถูกทรมานนะการทรมานของเขานี่ก็คือเห็นชาวนรกถูกทรมานนะ แล้วก็ให้ยูเห็นชา ว, ชาวสวรรค์กาลังเสวยสุขกันด้วยอันเป็นบทลงโทษเหมือนกันก็คือเห็นชาวสวรรค์กาลังมีความสุขอยู่แล้วเขาก็อยู่นอกสวรรค์ ก, ก็มันก็มันก็เจ็บเจ็บปวดวสมค ว, วดถ้าไม่เสียใจว่าเ hey, อในโลกนี้เนี่ยกูจะเพิ่มสักคะแนนหนึ่งจะไดก้กูแย่ขนาดนั้นเลยแค่นี้มันก็นะ ว่าชาวอารอบนี้น่าจะเป็นโรคซึมเศร้ากันทั้งนั้นนะแต่มืแค่แค่คิดแค่นี้ใช้ชีวิตในโลกดุนนี้์นี่กูไม่ขยันสักนิดนึงจะได้ขยับคะแนนให้ขึ้นสัก51คะแนนทําไปได้ไงใช้ชีวิตแบบเนี้ยและแหากว่าเจ้าตัวของ5้บเคะแนนเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่ามุฮซินิน เพระาะเราบอกว่ามาอาเลมอห์ซีนีนามิาบิสำหรับคนที่กระทํำความดีเนี่ยไม่มีทางกล่าวโทษกับเขาได้ไม่มีทางกล่าวโทษในภาพรวมนะหมายถึว่าอยู่คนคนที่คะแนนดีเขาเยอะ ก, กว่าเนอะเฮ้ย ي, เอ็งเป็นคนเลวเฮ้ยเอ็งคนใชไไ้ไม่ได้ไม่ได้แต่กล่าวโทษในส่วนที่เป็น49คะแนนชั่วเนี่ยที่มีความชั่วเนี่ยเรกล่าวโทษได้นะหมายถึงว่าที่เขาไปทําความชั่วอันนั้นแนหะเรากล่าวโทษได้เราตําหนิเขาได้เตือนเขาได้ แต่มาเหมาวรวมอ่ะไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องความชั่วที่เขาทาแต่เหมาวรวมนะเอ็งคนเลวมันคนใจไม่ได้ไม่ได้มา على المحسنين من سبيل และในสถานาการณ์นี้ก็หมายถึงว่าอัลลอฮฺจะไม่กล่าวโทษคนที่ตั้งใจทําความดีคนที่ตั้งใจไปจะไปสู้รบกับท่านนบีแต่เขามีอุปสรรคเขามีอุปสรรคนอกไม่จะไม่กล่าวโทษว่าะเขาเป็นมุนาฟิกเหมาวรวมเขากับไปอยู่กับพวกมุนาฟิกีนที่ บิดิวที่ไม่ได้จริงใจกับท่านนายบิซโซัลลอฮฺเรไม่มีทางที่จะกลาวแต่ก็ยังให้คะแนนเขาว่าเป็นมุฮซินีนแล้วถ้าเป็นมุฮซินีนแล้วเนี่ยอัลลอฮสุภานะตาละได้แบ่งแยกกลุ่มชนในบรรดามนุษย์เนี่ยสามประเภท حمقام حمقام بربيه. بربيه المحسن ثم و ر س ن ا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا ز الزمر ثم و ر س ن ا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنه سابق سابق بالخيرات ومنهم مقتصد سام ب ي ن ا เราได้ให้ผู้ที่สืบทอดมรดกคัมภีรก็คือพระดำรัสของพระสุภานันดาเป็นสามกลุ่มด่าลิมุลีนัซและคนที่อาจรมตัวเองซาบิคุนเบลขยรอดคนที่อยู่ในแนวหนา้าซาบิคุนสาบิคุนแข่งขันแข่งขันรีบเรึง่งในการทำความดีวเมนูโมกตสิต แล้วคนปานกลางสามประเภทก็คือคนที่อยู่ในแนวหน้าปานกลางและก็คนที่อทำตัวเองอุลามาได้บอกว่าคนที่อยู่ในแนวหน้านี่ก็คือคนที่ทำวาจิบฟรดูทุกอย่างที่เป็นฟรดูที่เป็นวาจิฟอย่างครบถ้วนไม่บกพร่องในเรื่องวาจิบและขยันทำสุนนะเรื่องอาสาทุกประเภท และจะพยายามไม่บกพร่องในเรื่องซุนนะและไม่ตั้งใจทำบาปใหญ่หรือบาปเล็กอันนี้พวกใครนะผู้ที่อยู่แนวหน้าแล้วก็บานกลางละ่ะบานกลางนี่ไม่บกพร่องในเรื่องวาจิบแต่จะบกพร่องในเรื่องซุนนะเรื่องอาสาไม่บกพร่องในเรื่องบาปใหญ่คือไม่ตั้งใจที่จะทำบาปใหญ่ ทำถ้าทำนี่ยทำแบบไม่ตั้งใจส่วนบาปเล็กนี่อาจจะบกพร่องบ้างว่ามินุมวอลิมุลลินฟัฟซีและผู้ที่อธรรมตัวเองเนี่ยอธรรมตัวเองนี่นบกพร่องหมดเลยบกพร่องหมดเลยทั้งฟัรดูก็บกพร่องสุนนะก็บกพร่องบาปใหญ่ก็บกพร่องบาปเล็กก็บกพร่องอันนั้นอธรรมตัวเองข่าวดีที่เป็นข่าวดีว่าทั้งสาม กลุ่มนี้สาประเภทเนี่ยอัลลอฮ์เรียกว่าอิบะดินะแล้วกอรัน์ลกิดะบะที่เราอิศตฟินะมินอิบะดินามคนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเบาของเราทำไมอุลามะบางท่านนี่บอกว่าอัจะอายตินฟุกุรอานอายะที่สร้างความหวังที่มากที่สุดสาหรับมนุษย์เนี่ยที่ให้ให้เรานี่มีความหวังมากที่สุดนี่คืออายะนี้ ทำไมอ่ะเมาหมดเลยทั้งคนเลิดคนปานกลางและคนแย่ดอล่ ม, มูลน่ะสิคนแย่แย่สิเมาทั้งสามกลุ่มเลยนะเป็นขายเป็นอิบาดีนะเป็นบบาะอะละสุภาโนวดานและถือว่าอยู่ในผู้ที่สืบทอดมรดกของละสุภานวดานก็แสดงว่า อัลโมฮซีนีนสองคนนี้กลุ่มที่อยู่ในแนวหน้าและกัปานกลางก็อยู่ในบรรดาโมฮซินีที่กล่าวโทษเขาไม่ได้ถึงแม้ว่าจะกล่าวโทษได้แต่สอดคล้องกับหลักการของอุลซุนนาวลิยาบกล่าวโทษเกี่ยวกับโลกดุนยานี้เช่นเราจะกล่าวกล่าวหาหรือกล่าวโทษเขาใน ในสิ่งที่ไม่เป็นอภิสิทธิ์ของลั ح ح ทธิโสมฮานอต้าเอ้ยเองเป็นคนเลวเอ้ยเองเป็นคนใช้ไม่ได้อันนี้ยังพอได้แต่เอ้ยเองเป็นชาวนรกเอ็งเป็นชาไม่ <c oughs> ไม่มีสิทธิ์เข้าวสวรรค์อันนี้เนี่ยไม่ได้โดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะเป็นวาลิมุลลินฟซีเป็นคนที่อาธรรมตัวเองก็คือบกพร่องในเรื่องฟารดูบกพร่องในเรื่องซุนนะบุกพร่องในเรื่องบาปใหญ่บกพร่องในเรื่อง บาปเล็กนี่คือเละตมเป้ไปหมดเลยนะจะ ก, กล่าวโทษเขาเกี่ยวกับวันเกียร์มาหน่ให้เองวันเกียร์มาหน่เองไม่รอดในแบบนี้เองไม่มีสิทธิ์ที่จะได้กลิ่นสวรรค์เลยนะเองนี่ไปไปไปไ ป, ไปตีไปซื้อบัตรไปซื้อตั๋วเข้านารกได้แล้วเองไปหาช่างทําเก้าอี้จะได้นั่งในนรกตลอดกาลได้อะไรแบบนี้กล่าวโทษเขาในเรื่องที่ไม่เป็นไม่เป็นสิทธิ ขุมรวเลยยังทฮาวิริวกว่าาเนี่ยะดูลยอะพัดินบนจันทร์แลินาร์รว่าไม่เป็นสกีพยานยืนยันว่าใครจะเป็นชาวสวรรค์หรือใครจะเป็นเชาวนรกแม้กระทั่งมุสลิมแท้หรือกาเฟร์แท้ๆหมายถึงว่าถ้ากาเฟร์แท้นะกาเฟร์แท้นี่จะเสียชีวิตเราจะบอกว่าเป็นชาวนรกก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ระหว่างเขากับอัลลอฮ์นี่เขาตายในสภาพไหนเราไม่ ภายนอกของเราเนี่ยเราเราจะบอกว่าทุกคนที่เสียชีวิตไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาก็เป็นชาวนรกแต่เราไม่เจาะจงพูดได้กว้างกว้างว่นะคนที่ไม่ได้เสียชีวิตเป็นผู้ศรัทธานี่ก็เป็นชาวนรกพูดกว้างกว้างได้แต่เจาะจงได้ไหมเจาะจงไม่ได้มุสลิมเสียชีวิตถ้าสุ j u ดโอ้ oh, สวรรค์แท้ๆเลยก็ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยเแล้วเราจะพูดยังไงอะ ถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยอ่าถ้าเป็นมุสลิมแล้วก็เสียชีวิตเขาก็บอกว่าหวังว่าหวังว่าอัลลอฮ์จะเมตตาไอท่านนี่เขาสวรรค์หวังว่าอัลลอฮ์จะเมตตาท่านเนี่เขาสวรรค์แต่สำหรับกาเฟสเสียชีวิตเราจะตัดสินว่าเขาเป็นชาวนรกได้ไหก็ไม่ได้เหมือนกันเอาเราจะพูดยังไงบอกว่าเกรงวะเกรงว่าเสียชีวิตในสภาพนี้เนี่ยเกรงว่า จะถูกลงโทษเขานรกเกรงเพราะคำว่าเกรงนี้ไม่ฟันตับเกรงอาจจะอาจจะมีเพื่อเพื่อไว้นิดหนึ่งแต่ในอายะเก้าสิบสามอัลุอฮฺ س ب า ا ว ه แะ تعالى ได้พลิกฮุกกมฮุกกมที่พวกก็ไปกล่าวโทษไปกล่าวว่า คนที่ทำความดีมากะดัลโมฮซีนีนมีโซดแวามดีไปกวาโทษเขาไม่ได้แต่กล่าวได้กับใครอ่ะอินนามัสสบิลุอัลลอฮ์ลลัาลิฮ์อัลลอฮ์อัลนอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อลลอฮลลอฮ์อัลลอฮ์อาลลีฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอ์อัลลอฮ์ออ์อลลอล ซสบียลแปลว่าทางเสบีลอิลลัลเสบียลอิลลัลทางของ Allah เนี่ยเสบีลแปลว่าทางอ้าวแล้วก็กล่าวโทษล่ะมันมาจากอายะห์ก่อนหน้านี้ไงมาอะลัยมุฮซินะมัสบีลเข้าใจกันแล้วว่าคำว่ามาอะลัยมุฮซินเนี่ยมินสบีลไม่มีทางใดๆที่จะกล่าวโทษอันนี่เราเข้าใจแล้วว่าทางตรงเนี้ยพราะนี่เป็นสำนวนในภาษาอับ ม, มีทางก็หมายถึงไม่มีทางที่จะไปว่าเขาได้ก็เข้าใจได้ว่าเอ็นนะว่าสบีลุกทางกล่าวโทษนั่นแหละสําหรับใครอ่ะก็เพียงแต่บรรดาผู้ที่ขออนุญาตต่อเจ้าซาดินุนน่ก็ขออนุญาตต่อเจ้าท่านนบีทั้งทั้งที่พวกเขาเป็นผู้มั่งมีขออนุญาตไม่ออกสู่รบกับท่านนบี ท, ทั้งทั้งที่เขานี่มีความสามารถ ไม่ใชเป็นคนป่วยไม่ใชคนพิการมีความมั่งมีหมายถึงว่ามีฐานะซื้ออาวุธซื้อภาหนะซื้อเสบียงให้ตัวเองมีความมั่งมีที่จะไปสู้กับท่านนาบีสุลตัลลอฮฺอะลัยฮิวซัลลัมแต่เขาไม่ออกยินยอมยินดีรดูเบียกูนุมะอัลกวาลิฟซึ่งยินดีที่จะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องหลังยอมอยู่ที่มาดีนะ่าอยู่เบื้องหลัง อบอกแล้วว่าเขาอาลิฟนีก่ก็หมายถึงว่าคนที่ท่านนาบิอา น, นี่อาจะอยู่เบื้องหลังก็คือคนป่วยคนพิการสตรีพวกนี้ก็ยอมอยู่กับคนที่อยู่เบื้องหลังนี้ ท, ทั้งที่เขาไม่ได้มีคุณสมบัติของคนเหล่านี้แต่เขาเยินดีและ a l ลล h ได้ทรงประทับตราบนหัวใจของพวกเขาแลว้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้อะไร ในแนี้มีความหมายสองในแะในแย้หนึ่งหมายถึงว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ออกไปสู้รบ ก, กับท่านนาบีคือฝ่าฝืนกับท่านนาบีสุลต่านเลวซัลลัมและเรื่องนี้แหละที่ทําให้องศาสุภานว่าแต่ระประทับตาหัวใจของเขาสอดคล้องกับที่เราเคยบอกว่าเนี่ยสิ่งที่จะทําให้เราถูกประกระดับตาหัวใจนี่คือทําบาปซ้ําแล้วซ้ําเล่าที่มีตัวบทหลักฐานว่า จะถูกประทับตาหัวใจนี่ก็ที่มีนะก็คือเรื่องเป็นมุนาฟิกทําความเป็นมุนาฟิกความบิดผิวสับลับกับกอกเรื่อยๆ อ, อันนี้เราจะประทับนะสองปฏิเสธศรัทธาแล้วก็เป็นผู้ปฏิสธศรัทธาแล้วก็รับศาสนาแล้วก็ออกจากศาสนารับศาสนาก็คือเข้าออกจากศาสนาว่าเล่นนะอันเนี้ย เราจะประทับตาหัวใจของเขาสามทิ้งละหมาดวันศุกร์ทิ้งละหมาดวันศุกร์หลายครั้งอันนี้ที่มีตัวบทหลักฐานในกุตั้นละฮานิสในย่อที่สองของอียานีเนี่ยหมายถึงว่าไม่ดีไม่ได้ถูกประทับหัประทับตาหัวใจเพราะได้ทํา บาปของพวกมุนาฟิกเนี่ยก็คือฝ่าฝืนกับท่านนาบีสุลตรอห์ฮะลายุอัลลัมแล้วอัลลอฮ์จึงประทับตาหัวใจของเขาเพราะพวกเขาเนี่ยไม่ไดีออกไปร่มกับท่านนาบีใช่ไหมถ้าเขาสำนึกแล้วก็มาขอลู้ขอโทษกับท่านนาบียอมรับในบาปของเขาก็อาจจะอาจจะรอดเหมือนสามคนที่เขาสำนึกแล้วเขามาบอกกับนบนีเราไม่มีเขาอ้างนะเราจะไม่แก้ตัวเรารู้ว่าเราทำบาป จึงขออภัยโทษสุดท้ายเนีย่ยเราให้อภัยโทษแต่ไอ้พวกที่มาขออภัยนะมาแก้ตัวกับท่านนาบีนี่คือเขาฝ่าฝืนไม่ไดีออกกับท่านนาบีและยินดีในะจ้าก็ยินดีและตอนที่ท่านนาบีมาก็ยังออกมาโกหกมามาเก่าวมาสาบานมาอะไรกับท่านนาบีอลโลสุลตานั่นหมายรวมว่าเขาถูกประทับตาในขณะที่เขาได้ทําบาปครั้งแรกแล้วเพราะ ไม่มีความสํานึกหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำบาปมาหลายรอบหรือรอนานไม่เขาถูกประทับตาเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะนั่ก็ว่าตบะอัลลอฮฺตบะอัลลอฮฺและอัลลอฮฺได้ทรงประทับตาอนี้ตบะอันนี้เป็นการียอดีตพาสอดีตถูกประทับตาไปแล้วนู่นนะตั้งแต่เขาไม่ได้ออกกับท่านนบีและยินดีที่จะอยู่กับขวานลิฟอยู่กับอยู่เบื้องหลังคนที่อยู่เบื้องหลังที่มาดีนะนั่นหมายรวมว่า โอกาสที่จะถูกประทับตาโอกาสที่จะถูกประทับตาอันนี้ในในทัศนะนี้นะที่อธิบายอายะแบบนี้นะโอกาสที่จะถูกประทับตาหัวใจเนี่ยอาจจะเกิดในบาปเดียวก็ได้ซึ่งอันนี้ก็จะน่าน่ากลัวมากกว่าทั้งเราสุภาณวตาอะไรได้เห็นแล้ววสมควรสําหรับบาปที่ได้ทําเนี่ยที่จะถูกประทับตาหัวใจ หัวใจทันทีเลยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้และนี่แหละที่อุลมามะเาเรียกว่าอัลลานะลาน่าไปว่าถูกขับไล่จากความเมตตาของลอสวรรค์แต่ Allah จับแช่ง Allah ลานัดใครนี่ไหมที่ว่าขับไล่จากความเมตตาและขับไล่จากความเมตตาของ Allah นี่ก็หมายถึงว่าไม่อยู่ในความเมตนนมาามามมตา ต้องเข้าใจนะความเมตตาของลระสุาณะวดาลกว้างไพศาลโดยที่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกนี้ไหนที่จะรอดจากความเมตตาเพราะเราบอกว่าเซียตระหมัตูกุลเลชัยความเมตตาไพศาลของพระองค์เนี่ยจะครอบคุมทุกสิ่งทุกอย่างและแต่บางสิ่งบางอย่างที่เราจะเว้นบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่ให้ความเมตตาอันแสดงว่ที่สุดแล้ว สุดแล้วั้งหลาหล่านักแน่นไม่ดิมาขับไล่จากความเมตตาของสุวรรณวะทา่าตบะอัลลอฮ์ใลากูบิหิมฟะฮุมลายะลมุนอัลลอฮ์ได้ส่งประทับตาบนหัวใจของพวกเขาแล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้อะไรนี่วลามาเขาก็ชุมลมาศิยะก็คือโชกกรางของการทำบาป ทำบาปนี่มันจะนํามาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีที่จะนํามาเนี่ยก็คือไม่รู้เรื่องทําบาปและความรู้ที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมันจะไม่เกิดประโยชน์กับเราจะพยายามเรียนรู้จะได้ปรับปรุงเพราะความรู้นี่มันต้องปรับปรุงสภาพสถานภาพชีวิตของเราแต่มันจะไม่เกิดประโยชน์เพราะเราจะไม่รู้เรื่องคนที่เพิกเฉยกับอาเสยติกับ การทำบาปของตัวเองโดยคาดหวังว่าเออเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเาเรียนรู้เดี๋ยวเขาแก้ตัวเดี๋ยวเขาเตบบัตตัวเดี๋ยวเขาอะไรเนอันนี้เนี่ยความเสี่ยงความเสี่ยงของคนที่ไม่รู้ว่าการทำบาปของตัวเองเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่รับประโยชน์จากการเรียนรู้จากการศึกษาอะไรได้เลย แท้จริงแล้วนี่มันก็คือพฤติกรรมของมุนาฟิกเนี่ยเรียนรู้กับท่านนาบีแต่ไม่ความรู้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของเขาได้เผ่หุ้มเลียะอัลละมูนเขาก็จะไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้รู้สิเขาเรียนรู้กับท่านนาบีนั่งก็เรียนรู้นั่งฟังฮะดีสของท่านนาบีนั่งเรียนรู้คุรานกับท่านนาบีแต่มันไม่เกิดประโยชน์มันไม่เกิดประโยชน์อัลลอฮฺจึงเรียกคนเหล่านี้ย ท ح ح ี่เรียนรู้คุรานเรียนรู้ฮะดีษลวไม่เกิดประโยชน์เนี่ยซุมมุนบุกมุนอุมยุนฟะฮุมละยาติลุนซุมมุนหัวนบุกมุนเป็นคนใบอุมยุนตาบอดฟะฮุมละยาเกลุนไม่ใช้สมองกีอย่างซุ่มมุนหวกน้าใบตาบอด แล้วก็ไม่สมประกอบลายากิรูนไม่ใช้สมองไม่สมประกอบอพิการขนาดนี้เลยพิการทุกส่วนเลยในสายตาของผู้นคนไงแล้วคนที่ปากจัดนะปากเก่งโกหกเก่งอ่ะโอ้ยคนนั้นพูดเก่งทชไมา ถ้าคนดีบสมองสามารถบริหารจัดการหาได้ได้จากทางที่มีความชอบหรือไม่ชอบเราจะเรียกว่าฉลาดถึงแม้ว่าสายตาของตัวเองเนี่ยจะไม่ถูกใช้ในแนวทางที่ถูกต้องสมองไม่ได้ถูกใช้ในแนวทางที่ถูกต้องแต่ในสายตาของผู้คนเนี่ยเขาก็จะให้คะแนนกับคนเหล่านี้ ในใสายตาของโลกสุภะเราแต่ละคนเหล่านี้เนี่ยมีอวัยวะที่ไม่ไ ม, ม, ม, ม, มีมีประโยชน์เหมือนที่เราได้เห็นนะคนมีตาแต่เขามองไม่เห็นเขามีหูแต่หูหนวกเขามีปากแต่พูดไม่ได้เขามีตาแต่มองไม่เห็นเขามีกะโหลกมีมันสมองนี่แต่ไม่สมประกอบคนคนบอกคนนี้พี่คนนี้พิการคนที่พิการาหมายถึงว่าไม่มีอวัยวะแต่ไม่เกิดประโยชน์กับตัวเอง Allah Subhanahu Watalla อยากจะให้เราไม่ไม่ให้คะแนนไม่ให้เครดิตกับคนที่ไม่ใช่อวัยวะส่วนตัวเนี่ยในการแสวงหาความจริงและศัจธรรมมาตรฐานในการใช้อวัยวะที่เราให้มานี่ในการรับรู้สัจธรรมมากกว่าสายตานี่ถ้าเป็นคนที่อ่านหนังสือได้ปริญญา โ, โหดูดูด สิ่งที่คนในสังคมนี่ชอบชอบให้ดูไงหรือว่าสมองของเขานี่ใช้จนได้บรรลุความสำเร็จที่ในใสายตาของชาวโลกเนี่ยเขาจะได้กว่าความสำเร็จเราก็จะให้คะแนนกับคนเหล่านี้มากกว่าถึงแม้ว่าคนคนนั้นน่ะที่วุฒของเขาสูงรายได้ของเขาสูงแต่เขา ไม่ได้สวามีพักต่อพระเจ้าสงว์ตัวเป็นคนที่ไม่ละหมาดคนรายได้ดีรายได้เดือนละแสนสองแสนนะแต่งตัวเท่หล่อในสายตาของผู้คนถ้าเขาไม่ละหมาดไม่ไม่เอาไหนเรื่องศาสนาเลยส่วนมากในสังคมเนี่ยเขาจะตําหนี่แม่เรื่องศาสนาตําหนี่แม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ค่อยตาหนี่ าท่านนบีได้บอกว่านี่นี่คือมาตรฐานอีมานในยุคก่อนวันเกียรมาอะฮะดีสของฮุซัยฟะอิบเนลยามานท่านนบีสุลลัลลอฮุวาลาฮซัลลัมได้บอกว่าก่อนวันเกียรมาเนี่ยหมายถึงว่าฮุซัยฟะหิแรงงานจากท่านนบีว่าท่านในวก่ก่อนวันเกียรมาเนี่ยอีมานความศรัทธาของผู้คนเนี่ยมันจะสูญพันธ์ ศูนย์พันถึงขนาดที่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะนั่งคุยกันเฮ้ย hey, มีคนมีคนที่มี إ ม م านมีความซื่อสัตย์ไหมเนี่ยในชุมชนเรานี่ไม่มีไม่ ม, ม, มีแถวนี้ไม่ต้องหาหรอกวลากิน ฟ, บนฟนีบนีฟูลานบเนฟูลาแต่นูนนะชุมชนนูนะนะนจะมีคนหนึ่งม่ยังมี إ ม م านมีความซื่อสัตย์ มันจะยากขนาดนั ن ن ن ن ้นท่านนบีบอกตอนท้ายว่าหนึ่งคนจะถูกยกย่าคนนี่นน่ารักจังเลยน่าตาดีจังเลย وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان แต่วจของเขานี่ไม่มี إيمان แม้แต่ละองทุลี มาตรฐานของผู้คนเนี่ยในยุคในยุคหลังน่ะนะหน้าตาดีน่ารักดีแต่เขาจะเาจะไม่เอามาตรฐานของเรื่องความดีนี่มาพิสูจน์มุาพิกินเขาก็เลยไม่สนใจนะเขาก็จะอาศัยความสามารถด้านลิน้นความสามารถด้านลิ้นในการแก้ตัวต่อท่านอนับดุลลอฮฺยาตะธิรูนะ เอไลกุมิ ذا รั عتم อิไลห์มคุณละตั้งทัศรุแลนูอิมินละคุมคัดเนฟฟะอัพวกเขาที่หมายถึงว่าที่ไม่ได้ออกไปสงครามตะบุกจะแก้ตัวอย่าต่ดิรู้นะแก้ตัวขออภัยให้เหตุผลเอไลกุมแก่พวกท่านเมื่อพวกท่านกลับมาอย่างพวกเขากลับมาจากสงครามตะบุกนี่มาโขาวมาถึงมาดีนั่นเนี่ย จงกล่าวเถิดโอ้ محمد ว่ากุลลาตัตติร ok e ูพวกท่านอย่าแก้ตัวเลยท่านเกมแล้วนะนบีนี or, ok ่อัลลอฮ์บอกเขาว่าพวกนี้เนี่ยตอนแหลทั้งนั้นนบีก็ทันเกมก็อนละพวกท่านอย่าแก้ตัวเลยและนุมินะละกลุ่มเราไม่เชื่อพวกท่านดอกนุมิน่ะนุมินเราไม่อีมานต่อพวกท่านไม่อีมาน อันนี้เป็นคำศัพท์เป็นคำศัพท์ที่ใช้ตั้งแต่โบราณในคุอ่านก็ใช้บ่อยใช้คำว่าอีมานในกริยาคำว่าเชื่อพราะที่จริงเนี่ย إ น, นี่เราบอว่าต่ออัลลอฮ์นี่ก็หมายถึงว่าหลักหลักศรัทธาศรัทธาต่ออัลล์ก็คือการเชื่ออัลลอฮ์เนี่ยฉะนั้นรากศัพท์ของอีมานนี่อีมานี่เป็นว่าเชื่อ แต่ใช้กับมนุษย์ด้วยกันนี่ได้เช่นในไม่อีมานต่อต่อท่าต่อเจ้าหมายว่าไม่เชื่อเจ้าไม่เชื่อเจ้าไม่ศรัทธาต่อเจ้าเนี่ยเราบอกว่านบีให้นบีบอกกับเขาว่าละนุมินะละกลุมเราจะไม่เชื่อพวกท่านหรอกไม่เชื่อหรอกแต่ใช้กริยาคําว่าละนุมินะละกลุ่มเราจะไม่อีมานต่อเจ้าไม่อีมานต่อพวกนั่นก็คือไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อ ที่พวกเจ้านี่มาแก้ตัวไม่มีความสามารถมีอุปสรรคน่นนี่อันนี้เราจะไม่เชื่อเขาเด ا น ل ل า ه ว่าอัลลอฮ์มีุมแท้จริงอัลลอฮ์ส่งแจ้งข่าวคราวของพวกท่านแก่เราแล้วเลาบอกแล้วข้อเท็จริงเป็นยังไงว่าซายาร์ ل ัล ورسول ه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادات فينبئكم بما كنتم تعملون แต่อัล ไม่ได้ปิดประตูแห่งความเมตตาอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นการกระทํำของพวกท่านไยรออัลลอฮ์อัลลดฮยารอนี่เป็นกริยาพรีเซนต์เป็นกริยาปัจจุบันและอนาคตหมายถึงว่าอัลลอฮ์เห็นและจะเห็นหมายถึงว่าทั้งปัจจุบันและอนาคตนั่นหมายรวมว่าพวกเจ้าก็ทําไปดิเดี๋ยวเราจะเห็นว่าพวกเจ้านี่ จะปรับตัวให้ดีขึ้นหรือจะแย่ลงวัวเสือราล่อหัวอัลมาลกุมจะเห็นการกระทําของพวกท่านและรสรุ่ของพระองค์ก็เห็นด้วยเห็นด้วยนี่เห็นด้วยนี่มันอาจจะสร้างความความซับสนนิดหนึ่งเพราะนี้กําลังพูดถึงพวกพวกมุนาฟิกีนที่มาแก้ตัวอัลลอฮ์จะเห็นการกระทําของพวกท่านอันนี้ แล่ารัสูลของพระองค์ก็เห็นด้วยเห็นด้วยก็ไงเห็นด้วยกับพวกเขาที่กับหลังแก้ตัวเรามันก็จะทําให้คือประโยชน์ไงเห็นด้วยเนี่ยคําว่าเห็นด้วยเนี่ยในย่าหนึ่งแปลว่าเอาด้วยเห็นชอบแต่ในทํานองเนี่ยหมายที่ว่าอัลลอฮ์จะเห็นการกระทาแล้วเลารัสูลก็จะเห็นด้วยแง่ด้วยคําว่าด้วยเนี่ยเห็นด้วยแต่พอใช้คําว่าเห็นด้วยนี่มันก็อาจจะ เป็นประโยคที่ไม่ค่อยละเอียดควรที่จะควรที่จะในความหมายกุตอ่านของอาจารย์เตดีก็ไม่ ไ, มได้ไม่ได้เขียนแบบนี้เขาบอกว่าแล้วอัลลอฮ์แล้วราซูลของพระ อ, องค์ก็เห็นเช่นกันก็เห็นก็จะเห็นเหมือนที่อัลลอฮ์จะเห็นนะอัลลอฮ์จะเห็นในอนาคตเนี่ยก็จะเห็นเช่นกันเพราะคาว่าเช่นกันเนี่ยมันจะไม่สามารถตีความได้ว่าเห็นเห็นด้วยเห็นชอบอ น, นะก็มหมายถึงว่า อัลลอฮ์ก็จะดูพวกเจ้าจะทําอะไรจะแก้ตัวยังไงในอนาคตสันดานจะเหมือนมุนาฟิกเหมือนเดิมไหมหรือจะปรับตัวแล้วเราซูลก็จะอยู่ใช้ชีวิตกับพวกเจ้านี่แล้วก็จะดูว่าพวกเจ้านี่จะทําอะไรต่อจะเห็นว่าพวกเจ้านี่ได้แก้ตัวจริงหรือเปล่าได้ปรับปรุงชีวิตของพวกเจ้าจากความเป็นมูนาฟิกเป็นผู้ศรัทธาจริงหรือเปล่า อย่างที่บอกกับพี่น้องหมวดสู้อัตตาบ้านนี่เป็นสุรตีแฉพวกมุนาฟิกินแต่ไม่เอ่ยชื่อแม้แต่คนเดียวไม่สุรตาบ้านเดียวนะคุณอ่านทั้งหมดเลยพูดถึงวพวกมุนาฟิกินนะ่ะไม่เอ่ยแม้แต่คนเดียวผู้ปฏิเสธศรัทธาก็เช่นเดียวกันไม่เอ่ยผู้ปฏิเสธศรัทธาเว้นแต่คนเดียวใครอบูละฮับคนเดียวและที่เอ่ยนี่ก็เพื่อเป็นเป็นมอดิษฐ์ เป็นอภินิหารอย่างหนึ่งที่เอาล่ะด้เอ่ยชื่ออบูละฮับลุงนาบีเนี่ยว่าว่าเขาจะเป็นชาวนรุกซึ่งมันเป็นการยืนยันถึงความสัจจริงของกุององรอค่านเคยบอกแล้วว่าที่มีคนรับอิสลามเพราะาสุรัตตบัตยิดานเนี่ยตบัดยิดานนี่ที่มีคนบ้านเราบอกว่าเวลาเวลาละหมานี่อย่าอ่านเลย อย่าอ ah ja, uh, ah ่านเลยเป็นสุรรลุงนบีเข้านโกนี้อ่านเลยนบีเสียใจอย่าไปอ่านเลยแล้วถ้าอ่านนี่ก็อ่านเสียงค่อยๆเอยชื่อลุงนบีเนี่ยสุรรอดนี่ทาให้มีบุคคลรับอิสลามนี่เพราะสุรรอดทำให้ต้องเล่าหน้าตอนี้นะทุมมาตรดดูนั่งอัลกัมิลกัยบีว่าเชาดะ แล้วสุ่มมะสุ่มมะเนสีขาวสุ่มมะแล้วพวกท่านก็จะถูกนํากลับไปยังพระผู้ทรงรอบรู้แห่งสิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยสิ่งเร้นลับอัลอยบสิ่งเปิดเผยอัลชาฮัดะอาลิมุลไกบิอัลชาฮัดะสิ่งเร้นลับสิ่งที่สัมผัสไม่ได้เอาไว้ว่าสัมผัสของเราเนี่ย สัมผัสไม่ได้มองไม่เห็นมองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้นั่นลับชาหาดะดาสิ่งที่สัมผัสได้มองเห็นแล้วก็สัมผัสได้สิ่งที่ได้ยินเสียงและมองไม่เห็นละ่ะเป็นสิ่งเร้นลับหรือชาหาดะดาอื ยังได้ยินเสียงยินอย่างเงี้ยยินนี่จะเป็นเงียบหรือชาดาติ๊กตอกติ๊กตอกยินได้ยินเสียงยินไหมฮะไม่ได้ยินแสดงว่าไม่เคยรักษายินได้ยินเสียงยินไหม ไม่เคยได้ยินเสียงเงียบนะเอาอย่างนี้ตอนฝันนะ่ะตอนฝันนะ่ะนะได้ยินเสียงในฝันมาอไอ้ที่มาเล่าบอกว่าแล้วก็เห็นคนนังคนนั่งก็บอกฉันอย่างนี้ฉันก็บอกเขาอย่างงู้นอย่างเงี้ยไอ้ที่บอกไปบอกมาเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะเสียงไหมได้ยินมหมฮะ ไม่ um, ไม่กล้าตอบกักลัวกูก้ากูกก็กกูตามหลักการศาสนาี่สิ่งที่ได้ยินแต่ไม่เห็นเนี่ยก<ำ> <m erem> ็เ <m> ร <erem> ียนรับเหมือนกันนบีได้ยินเสียงจิบรีลไหนี่ชัดได้ยินเสียงจิบรีลไหมที่มาคุยไว้ว่าอยู่กับนบีได้ยินไหมได้ยินสําหรับนบีเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นเี แต่สำหรับนบีตอนเห็นจีบรีลเลยมาเขยิบล่ะที่เห็นสองครั้งกันอันนี้มาเขยิบล่ะนบีได้ยินเสียงยินมาคุยกับท่านนาบีอันนี้สําหรับนบีก็ได้ยินเสียงแต่ยินนี่มันเป็นเหยีบม่เป็นยินนี่เป็นเหยีบเรากล่าความเชื่อความศรัทธาในเรื่องยินนี่มันเป็นหอยบีย้ยก็คือเหยีบนี่ก็คือไม่เห็นไม่สัมผัส เอาไว้ว่าสัมบัติของเราที่สำคัญที่สุดนี่ก็คือเรื่องนี้แหละก็คือเรื่องสายตาตาแล้วก็สัมผัสด้วยด้วยมือแต่สิ่งที่เราได้ยินแต่ไม่มองเห็นเนี่ยมันจะเป็นเหตบนี้เพราะมองไม่เห็นซึ่งการได้ยินเสียงแล้วก็มองไม่เห็นแล้วไม่สามารถสัมผัสได้เนี่ยมันจะทำให้การรับรู้ถึงมันน่ะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ สัมผัสไม่ได้แค่ได้ยินเสียงอย่างเดียวโอกาสที่เสียงนี่มันจะไม่สอดคล้องกับตัวจริงของมันนะ่ะนะมันก็มีโอกาสคาดเคลื่อ น, นได้ถึงอุลมะได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเสียงและเราไม่สามารถมองเห็นได้มองไม่เห็นและสัมผัสไม่ได้แค่เป็นเสียงนะ ถ้ามันบอกเรื่องราวอะไรเนี่ยห้ามเชื่อเว้นแต่เสียงของบรรดาอมกลกาที่มานำวะฮุยมาให้ท่านบรรดานับีทั้งหลายอย่างเดียวาสมมติว่าเรานั่งกาลังอ่านคุร์ตเนี่ยติกาวนี้มิออนคุร์ตอ่านคุรอ่านก็มีเสียงมาบอกว่าจงฟังฉันยิบรีลได้ยินเสียงนะ มองไม่เห็นเนี่ยลงฟังฉันจิบรีลเองพอแล้วไม่ต้องอ่านกุรานแล้วไม่ตรงละหมาดแล้วแค่นี้ก็พอแล้วเป็นชาวสวรรค์แล้เชื่อได้ไหมไม่ได้เชื่อไม่ได้พันทงไม่ได้หรอกกาลังรักษายินอยู่อ่านกุรานยินก็บอกวพอพอผมขอรับอิสลามหน่อยผมขอรับอิสลามหน่อยผมขอเก่าวกะลิม่าหน่อย ก็คุยกันเองโอ้เจรับอิสลามเหรอเองชื่ออะไรอ๋อผมชื่อฟังกุชมาจากไหนนู่นน่ะมาจากมาจากเชียงใหม่นู่นน่ะอ๋อแล้วก็เผ่ากี่คนโอ้นี่ยพวกเรายินเผ่าเปนเป็นเป็นหลายล้านแต่นี่มาอยู่กับตัวนี่กี่ตัวนี่โอ้โหเนี่ยเรายินมาอยู่ประมาณสามพันตัวอยู่ในอยู่เนี่ะเคยเห็นพวกคลิปวัเนี้เรามาอยู่กันสามพันตัวอยู่ในกระจุกอยู่หนึ่งสามพันตัว แล้วก็แล้วก็ไอ้คนที่ฟังอยู่อุ้ม سبحان อัลลอฮ์เลยอีละอย่างเนี้ยฮะมีหมดแหละไอนี้นี้แบบเนี้ยเขาก็สามารถแต่งเรื่องได้เยอะมากแล้วเราจะพิสูจน์ยังไงพิสูจน์ได้ไงว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงของยินจริงหรือเปล่าแล้วก็เป็นยินที่มันพูดเนี่ยมันนใช่ยินมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมจะเป็นมุสลิมมานะจะพิสูจน์ยังไงว่ามันเป็นมุสลิม ถ้ามันเป็นอินคาเฟ่ลเลยแบกว่าฉันเป็นอินมุสลิมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้ ไ, ไ, ดไม่มีอะไรพิสูจน์เลยฉะนั้นไม่คุยไม่ต้องไม่ต้องคุยไม่ต้องเชื่ออะไรทั้งสิน้นรับฟังไปแต่ไม่ต้องเชื่อส่วนมากนี่ที่ยินเนี่ยมันชอบคุยเนี่ยเพราะเราจะหยุดอ่านกุศอ่านเนหยุดอ่านกุศอ่านแล้วเนี่ยมันก็จะผักผ่อนได้แล้วเพราะขณะที่เราอ่านกุศอ่านไล่มันนะะมันก็ทรมานอยู่ตลอด มันจะหลอกเราบางควดาคุยหน่อยเคุยหนยไอีอ่อคุยนี่แหละมันก็จะฟื้นฟื้นตัวฟื้นพลังของตัวเองแล้วก็คุยเรื่อยเปื่อยแล้วนะโอ้โหทีนี้ชงน้ำชาแล้วล่ะคุยยาวเลยเล่าไปเล่ามา <c oughs> นั่นก็เนียคับเสียงเห็เนี่ยเสียงที่เป็นสิ่งเร้นลับเนี่ยเชื่อไม่ได้ฟังไม่ได้ อิมัมจีลานีเนี่ยก็เคยเจอไงกําลังเดินทางในทะเลายก็เห็นแสงสว่างจากฟ้าคว้าเนี่ยลงมาแล้วก็มีเสียงออกมาอินนันนี่อ้นัลลอฮ์ฉันนี่แหละคืออัลลอฮ์แล้วเจ้าเนี่ไม่ต้องละหมาดอีกแล้วเจ้าเป็นคนดีเป็นคนขยันแต่เมื่อเจ้าฉันเนี่ยให้อภัยแล้วเนี่ยเจ้าไม่ต้องละหมาดอีกแล้วอิมัมจีลานี่เนี่ยจับหินคว้างเลยผมไอเชตอนหินคว้างเลย นะมีคนนี่ก็ชอบมึชอบชอบมาเล่ามึงเหกฝันเห็ น, นเห็นฟากฟ้านี่มีเขียนอัลลอฮ์ใหญ่ใหญ่เเออเน่ยก็ดีแหละถ้าเห็นทําไม่ต้องมาเล่าไม่ต้องไปเล่าเล่านี่ทําให้คนเนี่ยสงสัยว่าเล่าทําไมให้คนเชื่อว่าเองเป็นวาลีของอัลลอฮ์ใช่ไหมจะได้คนเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนพิเศษวิเศษของอัลลอฮ์เรืยองไงถ้าอัลลอฮ์ให้เป็นสัญญาณดีสําหรับเรานี่นะเราก็ต้องเก็บไว้ เก็เรื่องระหว่างโรากองอัลลอฮ์าเอาไปเล่านี่แสดงว่าเราอวดอวดอวดสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มานั่นแสดงว่าเราไม่บริสุทธิ์ใจนัอล์นี่บอกว่าอัลลอ์ให้อะไรกัสมติว่าเราขอดูอานะแล้วอัลลอ์ตอบรับดูอของเรามีเราก็ยดี๋ยวโอ้โหนี่เมื่อวานนี้นี่ผมได้ขอดูอานี่ปั๊บอัลล์ตอบรับปั๊บอันนี้แสดงว่าเราไปอวดว่าเราดอามุสตจาไม่ถ้าอัลล์ตอบ ไว้นี่เราขอบคุณเอเล่ย์อย่างเดียวแล้วก็ปกแพลีงปกปิดไม่คนรู้นะไม่คนรู้ถ้าคนจะรู้เนีย่ยคนรู้เองแหละถ้าเราอย่าไปเปิดเผย อ, อย่าไปบอกไปเล่าราุ่แม้กระทั่งเรื่องดีๆที่เราจะทําส่วนตัวแล้วอเล่ย์ให้น ะ, ะส่นวนตัวเราไม่เคยอ่านไม่เคยอ่านกุณอ่านแล้วร้องไห้วันหนึ่งเราอ่านกุณอ่านแล้วก็ร้องหไห้ต้องไปเล่าใครบ้ ไม่ต้องไปเล่าไปโู้ตไปโฆษณาไม่อะไรเรื่องระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นเรื่องวิเศษที่ทำให้ที่ทำให้เราเราเรานี่ยเป็นคนเฉพาะของอัลลอฮ์เนี่ยเก็บไว้นี่เป็นสกฤตเป็นความลับระหว่างเราของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรู้จะเห็นะอะลิมุลโอยบิวชาเนี่ยซึ่งพระองค์นี่รู้ทั้งเร้นลับและก็เปิดเผยแล้วรู้หมดฝายูนับบิอุคุมในวันกิยามานียูนับบิอุคุมแล้วพระองค์ก็จะทรง แจ้งแก่พวกท่านให้รู้ถึงสิ่งที่พวกท่านกระทำกันมีมาคุ้นถูกการ ม, มารุนการแก้ตัวของพวกมุนาฟิกีนเนี่ยจึงเป็นอุทาหรณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ของสงครามตะบุกการบิดผิวของมุนาฟิกีนในสงครามตะบุกอัลลจึงเอามาพูดหลายครั้งเพราะ การแก้ตัวของมุนาฟิกีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอย่างของของคนกับกอกในทุกยุคทุกสมัยคือคนนี้ไม่ซื่อสัตว์เครื่องมือของคนไม่ซื่อสัตว์ไม่ซื่อสัตว์เนี่ยจะเป็นแทบเป็นเรื่องเดียวทุกยุคทุกสมัยนั่นก็คือการสาบานจะแก้ตัวยังไงคนตอแหลนี่แก้ตัวยังไงใครก็ไม่เชื่อจึงต้องต้องเอาอะไรม า, มายืนยันนะ่ะ เอาพระนามอัลลอ์มาเย็นยันคำสาบานเ น, นี่ยคำสาบานในพระนามอัลลอฮ์สุบฮานะเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ที่มุสลิมทุกคนเนี่ยต้องศึกษาเรียนรู้หลักการของคำสาบานเพราะอะไรเพราะคนที่ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาหลักการของการสาบานเนี่ย ก็จะนาไปใช้แบบสเปสปะเหมือนพวกมุนาฟิกีนหรือเหมือนพวกบิดผิวที่จะสาบานเท็จหรือเอาคาสาบานต่อพระนสวานใช่ผิดที่ผิดทางมุสลิมต้องศึกษามุนาฟิกีนก็ทำเหนลิฟูนะ พวกเขาจะสาบานต่ออัลลอ์แก่พวกท่านสาบานด้วยพระนามของเราต่อพวกท่านดังกรลับทุมอิเลยิมเมื่อพวกท่านได้กลับมายังพวกเขาลีตูอริดูอันฮุมเพื่อให้พวกท่านยกโทษให้พวกเขาให้พวกมุนาฟิกแฟอาริดูอันฮุมดังนั้นพวกท่านจงผินหลังให้พวกเขาเถิดไม่ถึงวา อย่าให้ราคาคาสาบานของเขาเนี่ยก็อย่าไปฟังอย่าไปเชื่ออาริยบัวหนุมอินอะหุมริจุสุนดังนั้นพวกท่านจงผินหลังให้พวกเขาเถิดแท้ทจริงพวกเขานั้นชั่วร้ายอิ ي ى นอะหุมริจุสุนริจุสุนไม่ว่านจิสนงนจิสนี่ตรงนี้นี่ก็หมายถึงว่าสุขโรคสโขโรคสุขโรกในเชิง น, นามธรรมเนี่ยก็หมายถึงว่า ทำความชั่วเขาก็เลยแปลตามตามนํามาทําไปเลยเนี่ยว่าแท้จริงพวกเขานั้นชั่วร้ายริดิสุนโยชั่วร้ายว่มะว่าหุมจะหันนำและที่พมนักของพวกเขาคือนรกยะซาอันทั้งนั้นเป็นการตอบแทนบิมาการุเอกซิบุตในสิ่งที่พวกเขาขุนข่ายไว้ สาระท ah ok ok ok um ี่สำคัญของอายานี้เนี่ยอัลล์บอกว่าเซฮลิฟูนะเขาจะมาสาบานต่อพวกท่านด้วยพระนามอัลลอฮ์นะแต่อัลลอ์บอกว่าอาริดัอันุมพวกท่านจงพินหลังให้พวกเขาเถิดพินหลังก็หมายถึงว่าอย่าให้ราคากับการกล่าวสาบานในบันทึกของอิหม่ามอิบนุมาจท่านนบีสุลต์รอฮฺอัลัยยซลมบอกว่าละทะเลฟูบกุมจงยาสาบานด้วย บิดาของพวกเจ้าเพราะมันเป็นประเพณีของชาวไอยิหยาเนี่ยเขาจะสาบานด้วยด้วยบรรพบุรุษอัลลอ์ก็ห้ามห้ามสาบานด้วยสิ่งอื่นนอกจากอัลล์นบีนบีก็เลยบอกว่าจงอย่าสาบานด้วยบรรพบุรุษด้วยบิดาของพวกเจ้าและจะ哈利ฟูบ ah ิอ ah ัลไกุมมันแค่หนฮาลิฟันฟิลยิลิฟบิลล่ ผู้ใดจะสาบานก็ต้องสาบานด้วยพระนามของลอตเท่านั้นว่ามันฮาเลฟาบิลลาฮิฟะเลาะสุดุกผู้ใดที่สาบานด้วยพระนามของลอตเนี่ยก็จงสาบานด้วยความสัตย์จริงหมายทีงว่าตึงตึงตึงพูดจริงว่ามันฮุลีฟาเลห์บิลลาฮิฟะเลาะรดะและผู้ใดที่ถูกสาบานให้เขาด้วยพระนามของลอตเนี่ย ตองให้พอใจเสียหมายถึงว่าจะมีคนมาสาบานด้วยพระนามอเราให้เราฟังนะเราก็ต้องเชื่อต้องยอมรับนะต้องยอมรับนะต้องต้องสยบนะผู้ใดที่ไม่พอใจต่อคำสาบานของคนอื่นด้วยพระนามองคเาเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ผักพวกของอะไของอะมเรานีเลาไม่ใช่ผักพูข อายานี่บอกว่าพวกเขามาสาบานด้วยพระนาเราต่อหน้าพวกเจ้านี่จะได้ว่าแก้ตัวให้พวกเจ้านี่พอใจตัวพวกเขาแ ล, ล้วบอกว่าจงผินหลังให้เขาก็ะหม่อมทีว่าไม่ต้องเอาอลละไรไหนท่านอบีบะบอกว่าบอกว่าผู้ใดที่มาสาบานมันฮุลิฟะเลห์บิลลาฮิฟะลิัลละใครที่ถูกสาบานให้เขาแล้วเนี่ยก็จงพอใจคือ สำหรับสถานะของคนที่สาบานถ้าเป็นคนที่มีความศักด์จริงมีคนในลักษณะที่น่าเชื่อถือและเขาสาบานเนี่ยต้องเชื่อต้องเชื่อเขาไม่เชื่อเขานี่แสดงว่าความสาบานของเราด้วยพระนามเรามันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยและการที่ไม่ยอมรับในคำสาบานของเราเนี่ยแสดงว่าเราไม่ให้เกียรติ ไม่ให้ความศักดิ์สิทธิ์ในคำสาบานในในพระนามอัลลออุลมามจึงบอกว่าการรับคำสาบานของคนอื่นเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการของการให้เอกภาพแดลล์ทำไมอ่ะก็เพราะหลักการศาสนาเนี่ยไม่อนุญาตให้สาบานด้วยพระนามอื่นใด น, นอกจากพระนาม อ, อัลลอเห็นว่าถ้ามีคนมาสาบาน มาสาบานด้วยพระนามอื่นเราไม่เชื่อทำไมอ่ะเราเชื่อสาบานด้วยพระนามอ้อออย่างเดียวเพราะฉะนั้นสำหรับศาลศาลอิสลามนะคนที่มาเป็นพยานเขาสองกล่มมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมมุสลิมพอเป็นพยานเนี่ยต้องสาบานด้วยพระนามอ้อนวอนแน่นอนแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยในศาลของอิสลามนะจะมาสาบาน ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอะไรต่อมิอะไรนี่ไม่ได้นะอันนี้พูดถึงศาสนอิสลามนะถ้าศาสนาอิสลามเนี่ยต่างศาสนาิสลามมีมาสาบานก็ต้องสาบานด้วยพระนามองเขาไม่เชื่อหระไม่เป็นไรเพราะนี่คือหลักการทําไมอ่ะเพราะสําหรับมุสลิมเนี่ยมีสถานเดียวคนที่จะมาสาบานต้องสาบานด้วยพระนามองค์ Allah อย่างเดียวเพราะจะจะอนุญาตให้เขาสาบานในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาเนี่ยสแสดงว่า เราเนี่ยแต่ฮีตของเรา ก, กันให้เอกภาพของเราเนี่มันจะไม่สมบูรณ์แต่ฮีตของ Allah เองทำไมจงอ่าให้เขาของเราในทุกเรื่อง Allah นี่ที่สุดสําหรับมุสลิมที่สุดแล้วสําหรับมุสลิมอันนี้ในศารหลักการของศาลนะศาลอิสลามอาแล้วจะเป็นเพื่อนด้วยกันละ่ะรู้เรามีเพื่อนทางศาสนิกแล้วก็มีของหาย แล้วเราสงสัยมันเฮ้ยเอ็งเอาเบาเอาไปเ่าโบก็บ่าให้สาบานดิถ้าเราเราเป็นมุสลิมให้ยังสาบานยังไงอ่ะสาบานด้วยอะไรนะอยู่วัดอะไรก็ไม่รู้นะั่นแล้วเขาเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งที่เขาศักดิ์สิทธิ์ไงถ้าเขาสาเออเอ็งเชื่อในสิ่งที่เอ็งไดว่บาบมุสลิมไม่ได้ทาแบบนี้เนี่ย ถ้าแบี้ถือว่าหลุมซิริกหลุมหนึ่งอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ซีริกใหญ่นะแต่เรายอมให้คนทำซิริกเรายินยอมให้คนทําซิริกต่อหน้าเราซึ่งการสาบานด้วยพระนามอื่นจากพระนามองค์รอดเนี่ยถือว่าซิริกเล็กถ้าเรายอมให้คนอื่นทําซิริกเล็กต่อหน้าเราเนี่ยยินยอมนะอนนนบาปนะบาปแล้วก็ ให้พี่น้องต่างศาสนาเนี่ยสาบานยังไงก็สาบานวนลอฮี เ, อเขาไม่เชื่อล่ะเราก็บอกเขาบอกว่าสาบานด้วยพระ น, นามของอัลลอฮ์เพราะในความเชื่อของฉันเนี่ยถ้าคนที่สาบานด้วยพระ น, นามอัลลอฮ์เนี่ยบิดพิวเนี่ยอัลลอฮ์จะลงโทษนะโอพูดแค่นี้เนี่ยพี่น้องศางสนาเขาก็เขาก็กลัวแล้วนะอันนี้ก็บอกเผื่อเผื่อว่าเราได้เจออะไรแบบนี้เนี่ย เราก็อย่าทําตามที่ในประเพณีในสังคมบ้านเราเนอะทุกคนนี่ก็สาบานตามความเชื่อของขไม่ใช่สัมมาวรมุสิมนี่ไม่ได้ทําไม่ได้นะที่สุดเนี่ยเออเขาถ้าเขายืนยันนะว่าเขาไมา่เขาต้องสาบานด้วยสิ่งสิทธิ์ของเขาเนี่ยเขาไม่ต้องสาบานเลยไ ม, ไม่เอาเลยแต่ในกรณีที่ผู้สาบานเนี่ยไม่น่าเชื่อถือสามารถที่จะปฏิเสธการสาบานของเขาได้ไม่ได้เนี่ย ฮาดีษนี้ก็จะไม่ไม่ขัดกับไม่ขัดกับอายะฮ์ซึ่งเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสมัยท่านนาบีสุลต่านฮะเลียุสันในช่วงที่ท่านนาบียังมีส่วนที่สัญญาสันติภาพระหว่างนาบีกับยิวยูเนี่ยเขามีเมืองอยู่นอกมดีน่าชื่อคอยบาร์คอยบาร์นี่มันเป็นสวนอิพัลลมใหญ่มากแล้วก็มีป้อมเป็นเมืองของยูนะนบีก็ทําสัญญาสันติภาพกับยูหมายได้ว่าไม่เฮสู้รบกันแม่แล้วก็ ช่วยเหลือสึ่งกันแลวกันอันนี้มีสหาอยู่สามคนฮุวยซะวยซะละก็มูฮยซะละก็อับดุลละฮ์ฮุวย u ะมูฮัยซานีย์เป็นพี่น้องกันอับดุลละฮ์อ ال ัลสุล i มีนก็เป็นลูกพี่ลูกน้องอันี้เขาไปเมืองของยนี่นะ ฮุ่ยยซ้มูไหยซ้นนี่ก็เดินด้วยกันแต่อับดุลลาห์นี่ก็หลงไปเดินที่ไหนก็นไม่รู้แป๊บหนึ่งเขาก็เลยฮุ่ยยีซ้มูไหยีซ้นนี่ไปเจออับดุลลอห์เนี่ยนองเลือดเสียชีวิตถูกฆ่าถูกสังหารที่เมืองใครบ้านของอยู่แต่เนื่องจากว่าเจอในซอยเนี่ยนองเลือดอย่างเดียวไม่ไม่ไ ม, ม, ม, ม, มีอาวุธไม่เห็นใครและแน่นอนไม่ไมีกล้องวงจรปิดและจะรู้ยังไงอะวะ ว่าคนข่านคืออะไรมีกล้องวงจรปิดก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคือกล้องวงจรปิดเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วแต่แล้วแต่รูปคดีถ้ารูปคดีมันจะมันจะไปดีนะก็จะมีภาพทุกอย่างนี่แม่นทุกอย่างเรียบร้อยแต่ถ้ารูปคดีมันจะไม่รู้จะเป็นยังไงนเสียบ้างไม่ชัดบ้าง ถูกทำลายไปแล้วทิ้งในคลองไปแล้วกําลังกู้ข้อมูลอยู่อะไรแบบเนี้ยเยอะแยะไปหมดอันนี้ไม่รู้ขฆาตกรเป็นใครเขาก็เลยไปฟ้องท่านนาบีสุลต่านละฮะอือสัล ล, ล, าาลัมท่านนาบีก็เลยตัดสินตามหลักศาสนาแบบเนี้ยถ้ามีพยานก็จบดีถ้ามีพยานจะจึงนะฉันเห็นคนนี่ฆ้าคนนี้ก็จบแต่นี้เขาไม่มีหลักฐาน แล้วใครจะรับผิดชอบอ่ะฆาตกรรมเนี่ยใครจะรับผิดชอบทางออกนี่ตามหลักการศาสนาเนี่ยเขาใช้วิธีอะไรกันกษัตกิยามากษัตริมานี่ก็มาจากกซัตริแปลว่าสาบานแต่ต้องสาบานห้าสิบคนหรือห้าสิบครั้งฝ่ายผู้กล่าวหาก่อนกล่าวหาว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนฆ่าใช่ไหมไม่มีห ล, ลักฐานเอาไม่มีหลักฐานนี่ก็เอาห้าสิบคนเนี่ยมายืนยันมาสาบานว่า คนที่ข่านี่มาจากกลุ่มนี้ถ้ามาจากกลุ่มนี้แล้วนี่นะก็จะตัดสินว่ายูนี่เป็นคนข่าและนบีก็จะให้เขาเนี่ยชดสั่งให้ชดเพาว่าอีซ่าให้อีซาและก็ลูกพี่ลูกน้องเขาที่เป็นพี่น้องคนที่เสียยีในชื่ออับดุลรหะมานคนที่เสียในชื่ออับดุลลอะและแล้วก็พี่ชายเขาชื่ออับดุลราะมานอันนี้มาที่หลังกลายเป็นสามคนที่เป็นผู้กล่าวหาเนี่ยก็บอกกับท่านนบี ว่านี่เขายิเนี่เป็นคนฆ่านะมีถามว่ามีหลักฐานม้ยเอามีมีหลักฐานถ้าอย่างนั้นนะต้องสาบานเอาห้าสิบคนมาสาบานถ้าห้าสิบคนไม่มีเนี่ยให้คนที่มากล่าวหามีจํานวนเท่าไหร่หารห้าสิบเนี่ยกับคนเหล่า น, นั้นถ้าสุน陀สองคนให้สาบานกันคนละยี่สิบห้าครั้งเพื่อยืนยันว่ากลุ่มนี้ฆาตกรอยู่ในกลุ่มนี้ถ้าสาบานแล้วนี่นะ กลุ่มนู้นนะ่ะจะได้รอดนะเขาต้องเอาห้าสิบคนมายืนยันว่าเราไม่รู้เราไม่เกี่ยวคนที่ฆ่านี้เนี่ยไม่ใช่พวกเราต้องมีห้าสิบคนทีนี้พอท่านนบีให้ฮุยซามุฮซาละกาบดุรห์มานให้สาบานเขาบอกว่าเราไม่สามารถสาบานได้เพราะเราไม่เห็นจริงๆนบีก็เลยบอกว่าถ้าฉะนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ย ฝายูเนี่ยเขาจะสาบานห้าสิบคนหรือห้าสิบครั้งแล้วจะรอดเพราะเขาสาบานห้าสิบเขาไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวข้องกับฆาตกรรมนี้ปรากฏว่ายูก็สาบานห้าสิบคนว่าเขาไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวแล้วท่านอนับดุลลอฮฺสัลลัลลอฮก็เลยตัดสินว่าไม่ไม่มีไม่มีตัวฆาตกรน่ะ น, นะแล้วก็สั่งเงินชด อูดร้อยตัวให้ฮุออิซามุฮายซ่าละกับอับดุลราะมานเนีร้อยตัวจากใบธุลมาคือท่านนบีจ่ายให้เดี๋ยวก่อนตอนที่ท่านนบีบอกว่าให้ยิวสาบานแล้วพวกเจ้าจะพอใจไหมทางฮุอาซามุฮายซ่าบอกว่ายิวสาบานเนี่ยเขาาก็ไม่ใช่ผู้ศรัทธานี่สำหรับเราที่เราก็ไม่เชื่อหรอกยิว ที่ไหนไหนตั้งไหนแล้วเนี่ยก็มไม่เชื่อไหนตันไหนแล้วอุลามาก็เลยบอกว่าในหลักการว่าด้วยการเป็นพยานเนี่ยถ้าผู้เป็นพยานไม่น่าเชื่อถือมีประวัติหรือมีพิรุษที่อาจจะสาบานเท็จก็ได้นะคู่กรณีมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสาบานของคู่กรณีได้ แสดงว่า ح د ค ث ที่านนบีซอลลัลลอฮุเยเมนุสซาลลัมพูดว่า“วามัลลัมยรดฟ”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“” ไม่ไม่สมควรถือว่าไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นที่อัลลอฮฺบอกว่าพวกมูนาฟิกจะสาบานด้วยพระนามข AH องเราแต่พวกเจ้าพวกเจ้าจงผินหลังให้เขาเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะพวกมูนาฟิกเนี่ยเขามีพิรุษเป็นคนโกหกอยู่แล้วเป็นคนที่ตั้งใจมาสาบานสาบานทีจจ่จะได้แก้ตัวจะได้แก้ตัวเอ็นนะฮุมริจซุนหัววาฮุมญาณเนาะ บ่มา كانوا يكسبون فجعل الله يبغوا يحلفون لكم ل ت ر د و พวกเขาจะสาบานแก่พวกท่านเพื่อให้พวกท่านพอใจต่อพวกเขานี่วัตถุประสงค์ของการสาบานของเขาพวกเราจะได้พอใจต่อเขาแต่ Allah ได้ฟันธงบอกว่า فإن ت ر د و ن แล้วหากพวกท่านพอใจต่อพวกเขาแท้จริง a l l นั้น ะไม่ทรงพอใจไม่ทรงพอพยัยต่อกลุ่มชนที่ละเมิดฝ่าฝืนนี่มเป็นบทเรียนสำคัญนะเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับการบริหารความรู้สึกของเราต่อคนที่ทำความชั่วอย่างเปิดเผยทำความชั่ว ที่ทำให้อัลลอฮฺสุบฮานาอฺไม่พอพระไทยต่อความชั่วของเขาถ้าเรารู้ว่าเขาทำความชั่วที่อัลลอฮฺสุบฮานาอฺไม่พอพระไทยต่อเขาเนี่ยเราต้องปรับความรู้สึกของเราถึงแม้ว่าคนคนนั้นนะ่ะเป็นเพื่อนที่รักของเราเป็นคนที่เรารักเขาเป็นคนที่เราสนิทสนมกับเขาแต่ถ้าเขาทำสิ่งที่อัลลอฮฺไม่พอพระไทยเนี่ย การกระทําของเขาเนี่ยเราต้องเราต้องบริหารความรู้สึกเนี่ยให้สอดคล้องกับความตัดสินของเราสุภาพน า, าวัตสินเพื่อนเราเพื่อนสนิทเพื่อนรักของเราและเขาทําสิ่งที่มันผิดหลักการศาสนาที่อัลลอฮฺบอกว่าสิ่งนั้นถ้าอัลลอฮฺไม่พอพระทยัยถ้าใครทําอย่างอัลลอฮฺไม่พอพระทยัยเราก็ต้องปรับความรู้สึกของเรา ถึงแม้ว่าเราจะรักเพื่อนเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะสนิทกับเขาแต่ในการงานที่เขาทําแล้วเลาไม่พอพอใจเราก็ต้องไม่พอใจเขาโดยที่เราตั้งสมมุติฐานว่าถ้าอลล์ถามเราว่าตอนนี้เนี่ยพอใจเพื่อนไหมในสิ่งที่เขาทาเนี่ยถ้าเราตอบเต็มอกเต็มปากว่าเราไม่พอใจอันนั้นแสดงว่าเราผ่านบททดสอบแต่ถ้ากว่าคําตอบของเราเนี่ยโมงเพื่อนเรา เราจะตอบยังไงเยลไม่พอใจถ้าเรายังลังเลที่จะมีคําตอบกับตัวเองในสิ่งที่มีความชัดเจนว่าอัลลอฮ์ไม่พอพระทัยในสิ่งที่เขาทาเนี่ยแล้วเรายังพอใจเขาเนี่ยอันนี้แสดงว่าเรานี่มีปัญหามีปัญหาเรื่องอะไรมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องความศรัทธาเพราะอัลลอฮ์บอกว่าฟาอินเตอร์โดอานุมถ้าพวกเจ้ายังพอใจต่อเขาจะหด พอใจต่อมุนาฟิกินที่ a l l ไม่พอพระทัยตัวเขาเนะี่ยน إ ن Allah ไม่รับรองต่อคนฟาสิกิน Allah จะไม่พอพระทยต่อคนที่ละเมิดฝ่าฝืนคนที่ละเมิดฝ่าฝืนนี่จะเป็นทั้งสองนะทั้งมุนาฟิกินและก็คนที่พอใจต่อมุนาฟิกีนการบริหารจัดการเรื่องนี้เนี่ยสำหรับชีวิตของมุสศรัทาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุด คนเราเนี่ยเวลารักใครนี่เวลารักใครนี่เราก็จะเหมาคือเขาดีหมดแหละทุกเรื่องเลยแล้วถ้าเขาทําอะไรไม่ดีและมีคนมาฟ้องเที่ยพอใจไหมเนี่ยที่เขาทำเนี่ยเออกูพอใจฮนะเพื่อนเพื่อนไงแล้วถ้าเราเกลียดใครล่ะคอขอยก็ทําความดีที่ชัดๆเสียเราพอประไทยแล้วอนะ เนี่ยคนี่ทาแบบนี้เนี่ยเนี่ยดีมเรไม่ดีเลยก็รเราไม่ชอบการบริหารความรู้สึกเนี่ยละติงบอกว่านสุรัตอัลมาอิดสุรัตอันนิซาซัมนุนอายานิกัยขีกันยาอีัลเลดีนฮะมันคุนุความีนอัลไลชูฮ์ฮะดายบิลกิสตีอุบันนบูซาตัดังลายคุนุความีนลจงยืนยืนยันเพื่อ ชูเหด้าไปลึกสติเป็นพยานในความจริงในสัจธรรมในความถูกต้อง ولوعلى อะลอันฟุศิคุมอรวอลูกพี่ลูกน้องถึงแม้ว่าคนที่เราจะมาเป็นพยานในความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยถือที่จะชี้ผิดชี้ถูกเนี่ยคนเหล่านั้นน่ะเป็นตัวเราหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยเราจะต้องวิจารณ์ตัวเราเนี่ยเราผิดหรือถูกนี่ที่เองทำเนี่ยมันผิดหรือถูกถ้าถ้าเราทําผิดจริงเนะี่ยเราต้องพูดอะไรครับ ซึ่งมันยากไง ย, ยิ่งถ้าเป็นตัวเรานะจะสารภาพว่าผิดนี่มันยากหรือพ่อแม่เราพ่อแม่ทำผิดมีความขัดแย้งระวงังญาติพี่น้องเราป้านะ้าอานี่มามอนี่นี่แกพ่อแกนี่ทำถูกไหมพ่อแม่เราโลกทั้งหมดนี่ผิดพ่อแม่ฉันไม่ผิดหรอก ม, มีทางผิด I will أقربين ดูคนไกล้ตัวคนรู้จักคนสนิทสนม พี่น้องเราเพื่อนฝูงเราอาจารย์ของเรากลุ่มของเรานี่ให้ไม่ได้กลุ่มของเร า, อ, เราอาจารย์ฉันจะผิดไม่ได้นี่พอๆกันเลยการยื น, ย, นยันในความผิดความถูกเนี่ยเราทำเพื่อ Allah ซุฮาดะอัลลอฮิเราเป็นเป็นพยานเพื่อ a ล l ะ h เยืนยันในความถูกความนี่นี่นี่คือนี่คือคุณสมบัติของผู้ศรัทธาที่แท้จริง แล้วคนที่สามารถทำได้เนี่ยคือคนที่มีความกล้าหาญในการพูดความจริงแต่ทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยไม่เคยมีใครครบคนที่พูดความจริงเนี่ยไม่เคยมีใครอยากครบรเพราะเสี่ยงเสี่ยงว่าวันดีคืนดีเดี๋ยวมันจะว่ากูานี่ว่าผิด เสียงอยู่อยู่ใกล้คนที่พูดความจริงนิ่มเสี่ยงถ้าหากว่าคนที่พูดความจริงนี่<ผ>ม <i. S 2> เพื่อนไม่ไม่คบนี่ก็แสดงว่าเพื่อนพวกนี้เนี่ยไม่ชอบความจริงเะี่ยอย่าเป็นเพื่อนเลยรอให้อลลอร์เนี่ยโปรดประทานคนที่รักความจริงถ้าเราเป็นเช่นนั้นนะนะ ร, รักความจริงพูดความจริงไม่กลัวจะไม่มีเพื่อนคบไม่มีใครอยากจะเป็นเพื่อนรอเดี๋ยวเราจะประทานเพื่อน ที่รักความจริงเหมือนเรานี่แต่เราต้องยืนหยัดครับคงฝากเพียงแค่นี้นะครับอัลลอลลอฮอาลัยนบีอัลฮฺซละอาลัยอสซบิวสซลมมีคำถามไหมครับัอผม ได้หมายถึงว่าเราไม่ได้ไม่ได้กะไม่ไใช้คําว่าวันลอยหใช่ไหมขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ได้ใช่ก็ถือว่าเป็นคําสาบานที่มีผลขอสาบานด้วยพระเจ้าของเราก็ได้ด้วยพระเจ้าของข้าพเจ้าอะไรเงี้ยก็ได้เพราะเป็นที่รู้กันนเราหมายถึงใครไม่ต้องใช้คําว่าไม่ต้องนามของอัลลอฮ์โดยตรงนะสาบานด้วยพระเจ้าของข้าพเจ้า ก็ได้ก็เป็นที่รู้กันสาบานต่อคำภีหน่อยอยังวางคมภีต่อหน้าเขาเนี่ยแต่เขาต้องสาบานด้วยพระนามของเรานะไม่ใช่สาบานด้วยคำภีนะคนละอันกันนะคนละอย่างไม่ได้สาบานด้วยคำภีเนี่ยไม่ได้แต่มีอุลามะบางท่านเนี่ยบอกว่าถ้าเจตนาว่าสาบานด้วยพระดำรัตไม่ได้สาบานด้วยตัวกระดาษนี่นะสาบานด้วยพระดำรัต น, น์นี่ถ้าเจตนาแบบนี้เนี่ยได้ แต่มันเนื่องจากว่ามันเป็นคําที่สุ่มเสี่ยงหมายถึงว่า ม, มีสองนัยยะสองความหมายเนี่ยเราคนสาบานด้วยกุฎอ่านด้วยมุชัฟอย่างเงี้ยมุชัฟอัลละมาเขาบอกว่ามันมีสองนัยยะจึงไม่ควรใช้แต่ที่เขาเอาสาบานมามาวางแล้วก็มาจับมือหรือเอาอ่านมาวางบนศีรษะอันนี้เป็นพิธีพิธีกรรมที่เขาอุตริมา ไม่มีผลใดๆเลยอ่าไม่มีเพราะแต่คนที่ไม่กลัวพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยขอให้เอาคุตัานล้านเล่มเลยมาวางข้างบนเนี่ยเขาก็ไม่กลัวหรอกเทศมือนกันเนะ่ะเทศก็เทศได้แค่พระนามอัลลอฮ์เนี่คือความเยื่อเกียงแล้วมันอยู่ในใจไงแค่สาบานด้วยพระนามนี่ก็สันต้องสันแล้วอ่ะอ่าเพราะบาปผิดสาบานนี่เป็นบาปใหญ่มากนะบีเรก่าวอัลยามีนุรุมูส บาปที่จะทําให้เราเนี่จมไปอยู่ในนรกจมกระมืสจมในนรกเลยไม่ได้จับเดี๋ยวไม่มีไงไม่มีตัวไม่มีตัวเงอันนี้ไม่ไม่ไม่มีตั ว, ต ว, ตวแต่มีผู้เสียหายแต่ผู้ผทําความเสียหายเนี่ยไม่สามารถจับได้นบีก็เลยชดจากใบตุลมาลแต่ทําไมถึงต้องชดใบตุลมาลมาถ้าชดเนี่ยนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็อี ก, อ, กอีกเรื่องหนึ่งที่ต้อ ง, องมีคนตุผลมีอะไรแบบได้ ละหมาดในวัดยังได้เลยอ่าอ่าแต่แผ่นดินมันเยอะไงแผ่นถึงว่าแท้อาเพิ่งรู้อาไม่ไม่รู้ใช่ป่ะ <laughs> ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเข้าแล้วมันไม่ไม่ได้เห็นหิ่งไม่ได้เห็นอะไรเลยอ๋อรีบ <laughs> ไม่สำหรับผมนี่แ้จะมาหเห็นที่จอดรถกับเห็น ม, มัสิดเชีผมละหมาดที่จอดรถดีกว่า ที่จรดดีกว่าเพราะว่าสิ่งอันี้ฮะก็จะมีมีหิงมีอะไรวียาอัลียาฮุเซนมันมืนมันก็คล้ายๆเหมือนจเจว็ตเหมือนอะไรอย่างเงี้ยอถ้าเราถ้าเรามีทางเลือกอย่างเช่นเราที่ทํางานมีห้องพระกับห้องธรรมดาห้องห้องอพนักงานแม่บ้านทําความสะอาดนะน ะ, ะไม่มีจเจวิตไม่มีแล้วก็ละหมาดที่ที่ปลอดภัยดีกว่าแต่ละหมาดในห้องพระได้มาได้ หันหน้าไปทางพระก็ยังได้เลยอือนบีละหมาด ต, ต่อหน้ากาบ้านี่เวิดเต็มเลยอ่ะไนมีก็ละหมาดนะที่กะบา้าแต่เวลาเราเลือกในทางเลือกอ่ะอันไหนจะดีกว่าก็เลือกในสิ่งที่มันดีปลอดไปที่สุดดีกว่าถ้ามีทางเลือกนะค ร, ะ ร, ะ ร, ะระับก็ก็ฆ่าคนอื่นฆ่าโดยไม่เจตนานั้นนะไม่ไม่บาดชีวิตหรือฆ่าโดยเจตนาแต่ทายาทให้อภัย ยอมชดอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ต้องบาดชีวิตตแต่ลกสะการศาสนาฆ่าไม่เจตนา น, นี่ก็มีหลายรูปแบบชนอย่างเงี้ยรถชนจะยิงกำลังยิงนกก็ไปโดนคนอะไรเงี้ยอันนี้ฆ่าโดยไม่เจตนาอันนี้ต้องชดร้อยตัวเลยนี่ตรงตรงต้องชดแต่ไม่ประหารชีวิตแล้วก็คนที่ฆ่าโดยเจตนาเนี่ยอูร้อยตัวเนี่ย ต้องมาจากทรัพย์สินส่วนตัวแล้วก็ทรัพย์สินของเครือญาติใกล้ตัวคนที่ฆ่าโดยไม่เจตนาเนี่ยชดร้อยอุดอุดร้อหนึ่งรอตัวเนี่ยไม่ต้องมาจากทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินคนใกล้ตัวสามารถเอามาจากญาติตระกูลเพื่อนฝูงเผ่าเผ่าของเขาทั้งหมดเลยในข้อตักากีฬะอันนี้คือนนข้อแตกต่างระหว่างเรื่อง เรื่องชดเนก็เรื่องเรื่องเรื่องยาวแหละแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยชดนี่ไม่ค่อยมีใครชดแบบนี้หรอกแม้กระทั่งมุสลิมด้วยกันในเวลาชดนี่ก็ก็ขมเหงกันนะเอาแค่นี้ก็พอใช่มีหลักการถึงก็นาที่ต้องชดตลอดชีวิตเนี่ยอู๋ตอนนี้เนี่ยตัวหนึ่งคิดแบบปานกลางกันอ่ะตัวหนึ่งก็ประมาณห้า0มื0นหนึ่งร้อยตัวนี่ก็ห้าล้านนะ น, นี้ห้าแสนก็พอสองแสนก็พอจะเอะไรเยอะจะเอาอะไรยใช่ไหมไม่ใช่นี่เป็นหลักการศาสนาแล้วก็ห้าล้านนี่ไม่ต้องชดทันทีนะก็ไปไปหาเอายืมแล้วก็ไปใช้ทั้งชีวิตเนี่ยก็ต้องทํานี่แล้วก็ฆ่าชีวิตเนี่ยโดยไม่เจตนาเช่นพวกรถชนเนี่ยเนี่ยที่มุสลิมหลายคนนี่ทํา<อ>แล้วก็ไม่รู้อ่ะมันมีกัฟฟาร์ด้วยกัฟฟาร์นี่คือถือสินอดสองเดือน ติดต่อกันอั น, นี้คนส่วนมากนี่ชนกันแล้วก็ไม่เรื่องอะไรเลยนี่กูไอสศึกฟ้าอย่างเดียวแล้วก็ชดให้ไปสองแสนแล้วก็จบไม่ใช่อูดหนึ่งร้อยตัว<ม><ม>แล้วก็กัฟาร์นี่ถือสิหนตสองเดือนติดต่อกันต่อเนื่องกันสองอย่างดิอันนี้กัฟาร์ของตัวเองอันนี้ชดในคนที่เสียหายมีเกี่ยว กัฟารเพราะเขาทบาปใหญ่ไงจึงมีกัฟาร์ชดแทนโทษเนี่ยคนส่วนมากเขาไม่เคยรู้กันนะแต่ถ้าคซื้อรถไม่ไหวนี่ก็ให้ทัศนาที่มีน้าหนักก็ให้สามารถให้อาหารแก่มิสกินหสิบคนาะลลอฮอะลัฮิซบิซัลลัม